<Book> ห้า <em> ประเทศและภาษาจอห์นมาจากลอนดอนจอห์นมาจาลอนดอนลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ London ligger เขาพูดภาษาอังกฤษ h a n ส a สแป a เกอร e อังกฤษมาเรียมาจากมาดริดมาเรียมา r ากมาดริดมาดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดริดอยู่ในประเทศสเเธอพูดภาษาสเปน h ีเตอร์และมา a ามาจากเบอร์ลินพีเตอร์แล r มาร์ธาคุ้มมือจากเบอร์ลินเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันบลินคุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหมเด ล o n ด o นเป็นเมืองหลวง London เ <London S 1> r er en h ั v ห d s t a d Madrid และเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงมาดริดแล b เ r l i n ล r o เป็นหัวหน้าตั้เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง h ั v ห d s t ต d e งเป็นใหญ่และเสียงดังประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกาอียิปต์อยู่ในแอฟริประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญี่ียประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือร์เมริ ประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปาน Panama, ปามาอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ Brazil, ประเทศบราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บราซิลอยู่ในทวีปอเมริกาใตกรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e